เพราะความจเจริญในธรรมจึงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโติยานกำลังนำเสนอสมาสติโดยดำเนินไปตามหลักในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญมากเมื่อก่อนได้พูดมาถึงอาตาปีแปลว่าความเพียรที่เป๋ากิเลสให้เราร้อน ซึ่งเป็นคุณธรรมที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ไปทุกลำดับขั้นตอนของการเจริญกรรมฐานเนี่ยแต่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ก็อยากจะเชื่อมจากข้อความในพระสูตรเสียก่อนแต่ว่ารายละเอียดธรรมะเหล่านั้นเราก็จะเจอในโอกาสต่อไปร้วสั่งว่าุูกรณ์ภิกสูตรทั้งหลายทางนี้เป็น ที่ไปอันเอกคือเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวเป็นที่ไปที่แห่งเดียวสตานางวิสุทติยาเพื่อความหมดจดพิเศษของสัตว์ทั้งหลายโสกะเปเดวนันังสมาติกมายะเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโสกและความรับรยดุกรโดมนาชานังอัทังกมายะเพื่ออัศาดงดับไปแห่งทุกข์และโธมนัน ทั้งสองข้อนี้เป็นสมุทัยสัตว์กับทุกสัตว์นะครับแล้วก็ยายัสัตวอธิกมายะเพื่อบรรลุยายิธรรมอันนี้ก็เป็นนิโรธสัตว์เป็นนิโรธสัตว์ก็ที่จริงก็ตั้งแต่อริยมรรคไปนะอริยมรรคอริยผลไปแล้วก็นิบานะสัจจิกุลญาะเพื่อกระทําบริิพานให้แจ้งอันนี้ตัวนิโรธสัตว์แท้นะฮะ แล้วก็ส่งแสดงสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรมไปตามลำดับแล้วก็ใช้ธรรมะสามข้อที่ว่าเนี่ยไปตามลำดับองช้กรรมาอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินิยะโลกเกพิจดโดมนัสซังมีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะมีสติพึงนามอภิชาคือกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะนะ โทมนัสเนี่ยกิเลสประเภทโทสะด้วยแล้วก็หมายถึงทุกข์ด้วยในโลกเสียพินาศโดยการพิจารณาที่กายเวทนาจิตธรรมวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสติสตินี่เป็นธรรมะที่มีความสำคัญวัน ก, นก่อนก็ได้เกิด น, นำมาส่วนหนึ่งแล้วคือสตินี่ที่จริงถ้าสมบูรณ์แล้วก็คือพระอาหารหันต์นะ คือคนในโลกนี้ไม่มีใครได้มีสติสมบูรณ์เป็นไว้แต่พระอระหรัตนต์ปัธรรมะเหล่าเนี้ยจะนําคนไปสู่มรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งสามข้อนะฮะเป็นผู้นําได้ทั้งสามข้อหมายความวาสติโลกาสมิชาคโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกคือทําให้ตื่นจากกิเลสสนิสาคือการหลับเรืน่าของกิเลสก็คือพระอระหันต์นีกอะและตัวสัมปชัญญะก็คือตัวปัญญานะเอง ปัญญา ย, า, ยาบริสุทธิติคนยาบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาแล้วก็ตัวความเพียรก็คือวิริยนะดุกมะเจ ต, ติคนรุมทุกได้กพรความเพียพรา ะ, ะั้นเป็นธรรมะที่สําคัญมากในส่วนของมรรสัดนะครับตัวนี้เป็นมรรสั์มีลักษณะคล้ายๆกับจรวดแซตเทิร์นนะที่ยิงเพื่อนขึ้นไปสู่อวกาศนะสมัยปัจจุบันในเขาเรียกอะไรลนะจรวดอะไรแล้วก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนชื่อมาแล้วนะคร ดิอเรี่นะฮะมาเป็นจรุดเด็ดดิสคอเวอรี่แล้วก่อนก็โคลัมเบียอะไรอะไรเนี่ยที่ยิงเพื่อนขึ้นไปบนอากาศแต่ทีนี้เมื่อเขาทำหน้าที่เป็นเหตุแล้วก็กลายเป็นผลทาวอนอยู่ภายในจิตคือมีสติสมบูรณ์มีความเปลี่ยนสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ก็ภายในประเทศไทยตลอดตลอดกาลแลนาน น, นนะฮะตลอดไป ปกติโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพูดระดับทั่วๆัไประดับที่เรียกว่าเอาขนาดระลึกได้เนยส่วนใหญ่จะใช้คำระลึกได้หมายความระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดและสิ่งที่จิตคิดแม่นานแล้วได้ระลึกได้ทั้งของเราแล้วก็ของคนอื่นประเด็นตรงนี้ทั้งฝั่งลองสังเกตนะฮะว่าแนวการจัดการศึกษาที่เราพูดกันในปัจจุบันในวงการนักศึกษาเนี่ย แล้วปฎิยธรรมก็มีรายการอบรมครูเยอะมากเลยต้องทำหนังสือพิเศษเพื่มาเล่มหนึ่งยังไม่เสร็จพจะไปแจกครูในที่บรรยายอบรมเพราะว่าจงไงเราก็พูดไม่หมดอ่ะพูดไม่ทันตัวหนึ่งก็จะแจกหนังสือออกไปแล้วก็พยายามทำความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ว่าการเรียนเนี่ยกระบวนการเรียนการศึกษาทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเป็นงานทางจิตสมบูรบาลีเนี่ยท่านเรียกว่า วิญญาณสัญญาจินตนาแล้วก็ปัญญาเป็นลําดับการการศึกษาเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมันคือวิญญาณนะความรู้ทางตารู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจ ม, มูกรู้รสทางลิ้นรู้ลินร้นรอนอ่อนแข็งทางกายแล้วก็รู้อารมณ์ทางใจแล้วก็จําไว้เราเรียกว่าสัญญาเมื่อก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านแปลว่าความจําได้หมายรู้ หมายความจํารายละเอียดของเรื่องเหล่านั้นจําได้แล้วก็หมายรู้จุดเหมือนจุดต่างจุดคล้ายจุดจงกันข้ามอะไรแต่อะไรเนี่ก็จะจําไว้ทั้งหมดความจําเนี่ยเป็นสัญญาขันได้อย่าลืมว่ามันเป็นกิจสังขารด้วยเป็นสิ่งที่ปนปีจิตด้วยคู่กับเวทนาซึ่งเป็นขันอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นเจตสิกแล้วก็เป็นขันีนข้อนั้นแล้วก็จินตนาก็คือจิตที่ทำหน้าที่คิดสิ่งที่จําเอาไว้เนี่ยสิ่งที่จําเอาไว้เนี่ยนำมาคิด นำ ม, มาคิดจนรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเหล่านั้นก็กลายเป็นปัญญาระดับรู้จำรู้แจ้งรู้จริจ ง, รงนี่คือกระบวนการเรียนการศาึกษาเพสติมันก็คือทำหน้าที่ระลึกสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆถ้าเรามีหน่วยความจำเราจะระลึกได้แต่ถ้าเราไม่มีหน่วยความจำเราจะ ล, ะลึกไม่ได้เพราะต้องพยามจะสังเกตว่าเราเจอคนเยอะแต่เราไม่รู้จักทำไมล่ะมันไม่มีหน่วยความจำอยู่ เราไม่เคยเห็นขาวหรือเห็นเราก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจในความจำคนนั้นก็ไม่มีเพราะเถามก็เป็นใครเราก็ตอบไม่ได้หมายความยังไงหมายความมัสติระลึกมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีความจำเวลาเนี้ยการศึกษาเนี่ยมันจะเลิดออกไปถึงไหนก็ยังไม่รู้อยู่เนี้ยแล้วมาก็เจอในที่บรรยายอบรมครูในแต่ละแห่งเนี้ยเขาก็ถามประเด็นตรงนี้ก็อธิบายกว้างบกตมาก็ที่จริงก็สอนหนังสือมานาน เราสอนมาตั้งมากกว่าพวกครูทั้งหลายนะฮะเพราะเราสอ น, นั้งแต่พศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดแลสี่สิบกว่าปีแล้วเกือบห้าสิบปีแล้วเรับ ไ, ไปแต่เราก็นึกไม่ออกนะฮะว่าไม่จำนี่มันเรียนได้ยังไงจะตอบได้ยังไงจะคิดได้ยังไงจะนึกได้ยังไงจะเข้าใจได้ยังไงถ้าเราไม่มีหน่วยความจําอยู่ในเวลานี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการศึกษาเนี่ยนะ ปศปอปสุสภาการศึกษาพวกแม้แต่กรมวิชาการน่ะนะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะออกมาพูดในลักษณะนี้แล้วก็ไม่มีใครตั้งข้อสังเกตไม่มีตั้งข้อทุงติง่งเอาไว้เพราะสติจะไม่มีอะไรระลึกเนะียถ้าไม่มีความจำเพราะแต่เราระลึกได้ที่เราต้องจำได้ถ้าจำต้องแม่นนะถึงจะลึกได้เร็วเนี่ย เราสังเกตว่าใกล้ๆกับคนที่เขาทำงานอะไรชํานี้ช้ำนานเช่นแม่ครัวปรุงอาหารที่เขาชํานานเนี่ยเขาจะลึกต่อกันไปเป็นกระบวนการเ่ยทําได้ในเวลารวดเร็วแล้วงานสําเป็จลงด้วยความเรียบร้อยก็เรียบรอบรู้รวดเร็วเรียบร้อยนะคือหมายความาการรอบรู้คือการเรียนรู้ดังกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นการรอบรู้แล้วพอมาสู่ภาคสนามภาคการพูดปางกระทําก็ทําได้อย่างรวดเร็วก็แสดงว่ามีอะไรให้เราลึกได้ เราเลึกได้มาตลอดแล้วก็เป็นกระบวนการแล้วก็งานก็สําเร็จตรงวยความเรียบร้อยกระบวนการทางกิตทั้งนั้นเน่ยเนี่ยกายมันเป็นเครื่องมือในการรับใช้จิตเท่านั้นเองต้นสติเวลาพูดโดยพิสดารเนี่ยฮะจะอธิบายไว้เยอะมากแต่ว่าในที่นี้ก็ขอให้มองสามสามจังหวะหลักนะฮะซึ่งเราจะพูดเกี่ยวกับกสามจังหวะหลักเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็เลยมเลิกเรื่องอดีต เรื่องอดีต่างๆจะเป็นของเราจะเป็นของใครก็ตามเราลึกได้นะย้อนรละลึกเอาเรื่องเก่านี่มารละลึกจิตบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าธ ร, รมหนะ้าที่เคี้ยวกินอารมณ์เหมือนสัตว์เคี้ยวเอื้องนะฮะที่จริงของเก่าทุงครั้งเราสังเกตว่าที่เราคิดเป็นของเก่าังนั้นแหละเอามาคิดแม้จะคิดของใหม่แต่ฐานมันมาจากของเก่าถ้าเราไม่ไม่มีของเก่าให้คิดเราก็คิดไม่ได้แล้วของเก่านั้นถ้าเราไม่จําเราก็คิดไม่ได้ และการต่อไปคือระลึกทันในแต่ละขณะเช่นสมมติเราหันผักเข้ามคนที่ก็มีสติดีดก็ทําจับหนาดแล้วหันไ ป, ป, ป, ปเพียงเร็วเลยแต่ว่าคนทั่วไปมันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะการฝึกเหล่านี้ที่จริงมันก็ใช้ในกรณีทั้งหลายอะไรก็ตามแตเวลาทําเร็วแสดงว่าความจำนี่ก็ดีแล้วก็ระลึกได้เร็วแล้วก็ทําตัดสินใจได้เร็วระลึกทันในแต่ละขณะขณะขณะขณะนี้ขณะมันมาเร็วมาก ถ้าเราเผลอลอะหลงลืมพลั้งพลาดเลอะเรือนไปช่ววูบเดียวเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายอะไรเกิดมาก็ได้คล้ายๆอุบัติเหตุที่เกิดทางรถยนต์หรือทางเครื่องบินหรือทางอะไรนะที่จริงมันก็ไม่ได้นับเป็นชั่วโมงอะไรมันเป็นเรื่องของวินาทีแต่นั่นเองเป็นเศษเสี้ยวของนาทีก็เกิดอุบัติเหตุได้ตายกันได้เยอะแยะแล้วนะแต่น้นไหวเนี่ยที่จริงก็ไม่เคยเป็นหนึ่งนาทีอะไรหรอกมันเป็นวินาทีแต่นั่นเอง แต่ว่าก็เกิดความพิบัติเสียหายขึ้นมามากม า, กายกลากองแ่้เพราะกา ล, ลึกทันเนี่ยลึกทันมาเป็นแนวที่ยังเคยยกตัวอย่างให้ฟังบางก่อนนะที่จึงท่านท่านยกไว้ในบารีนะฮะว่าเหมือนประคองบาตรที่เต็มด้ยน้ํามันเราจะเห็นว่าประคองเนี่ยคล้ายๆจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายอนะประคองไม่ให้น้ํามันกระชกออกมาจากบาตร ก็มังแขนต้องดีนะสติต้องดีเท้าเนี่ต้องแน่นนะคือการจะเดินจะอะไรแต่อะไรเนี่ยเพือพ่อแป๊ดเดียวตันเองน้ำมันก็หกแต่ที่คนสติดีดเนี่ยเขาก็ทําได้นะเช่นเดินไตเส้นลัวแต่ไรแต่ไรต่างๆเนี่ยสติเขาต้องดีมากหรือพวกเล่นมายากลอะไรแต่ไรเนี่ยที่จริงก็สติต้องดีนะฮะถ้าสติไม่ดีเพิ่งจะจับใจแล้วก็นึกออก หลังจะทําไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเน้นึกออกว่าได้ทําอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้คิดไปอย่างนั้นทํานองคล้ายๆเราเขียนหนังสือเนี่ยนึกว่าจะเขียนคําเนี้ยเสร็จมาเขียนว่าวิชาจารณสัมปนโนสมบูรณ์ในวิชาและจารณานึก็รู้ว่าเขียนยังไงแล้วก็แล้วนึกท hybrid, ันในแต่ละตัวที่เราเขียนเนี่ยดเึกได้เร็วเท่าไหร่ก็เขียนได้เร็วนึกช้าก็เขียนได้ช้านะฮะเราเขียนเสร็จก็ลึกได้ว่าได้เขียนอย่างนั้น วันเราจะพูดเป็นไทยๆว่าเราลึกได้เราลึกทันนึกออกหรือว่านึกได้ก็ได้นึกออกก็ได้ตามปกติเราจะพูดในแนวของการนึกออกเ อ, อแต่ว่าแนวที่พิสดารจริงๆเนี่ยท่นานอธิบายลักษณะของการใช้สติเรียกว่าสติพึงเว้นรอบนะฮะอธิบายไว้ในนิเทศของปัญหาของท่านอาชิตมนุป ซึ่งมากราบทูลถามปัญหากับพระเจ้าเนี่ยท่านแสดงไว้ในกุฏรกานิกายว่าพึงมีสติในการเดินการยืนการนั่งการนอนอันนี้พอมาถึงจุดในสติปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกว่าสัมปชัญญาปป ะ, ะคือหมวดของกายานุปัสสนานั่นเองแต่ก็เรียกว่าสัมปชัญญาปปะ การก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับการแลดูการเลี้ยวดูการคู่ข้าวการเหยียดออกการทรงผ้าสังกติทรงบาททรงจีวรเที่ยวไปเป็นไปเปลี่ยนแปลงรักษาบำรุงเยียวยาให้เยียวยาปัญญาเลยนะฮะนี่ลักษณะอย่างเงี้ยคือมีสติเป็นผู้มีสติเว้นรอบหมายความระลึกรู้เท่าทันถึงความจริงเป็นปัจจุบันในขณะ แนวในสมาสติคือใช้สติเป็นตัวนําอย่างเงี้ยเพราะว่าคือแนวตัวนี้ที่จริงมันมีอยู่สองแนวแล้วก็ในสติปัฏฐานสูตรเองก็ทรงแสดงไว้สองช่วงในะช่วงแรกมีลักษณะเป็นสมารถาเรียกอย่างหนึ่งว่าอารามโน ป, ปนิชานคือเพ่งดูอารมณ์เพ่งดูกายในส่ว น, นต่างๆของกายย่อยออกไปอีกเยอะนะฮะแล้วก็เวทนาเวทนานี่ดูเวทนาตั้งเก้านะฮะดูเวทนาตั้งเก้า แล้วก็จิตเนี่ยดูจิตตั้งทลายสิทิหกคู่นะฮะทีหกคู่ด้วยกันแล้วก็ดูธรรมะทั้งกุศลทั้งอกุศลแล้วก็ทั้งกลางกลางนั่นก็หมายความว่าสติจะเป็นตัว ล, ลึกจะเป็นตัวนำไปแล่ข้อต่อไปนั้นสติถ้าจะสร้างขึ้นเนี่ย ท่านจำแนกแสดงเอาไว้ในอัตกถฐามาสติปัฏฐานนั้นสูตรอย่างนั้นท่านบอกว่าคือองค์แห่งปัญญาเครื่องสัตสรู้คือสติท่านเรียกเพิ่มขึ้ น, นเรียกสติสัมพุทธ ช, ชุกก็คือสมมาสตินั่นแหละแต่ว่าอธิบายละเอียดมากยิ่งขึ้นประการแรกก็คือมีสติสัมปชัญญะหมายความว่า มีสติคือความมะลึกได้แลยสำมัญจันยะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะเวลาปฏิบัติเนี่ยธรรมะพวกนี้เขาคูค่กันคือบางทีไม่ปรากฏหรอกบางทีสติไม่ไม่มีแต่มีแต่ปัญญาก็ไม่ว่าอะไรนะครบางทีมีสติไม่มีปัญญาก็ไม่ว่าอะไรเพราะภาคสนามเนี่ยเขาจะมันเหมือนกับอะไรละ่ะถ้าเราจะเทียบจะเหมือนกับเหมือนการเราตัดชิ้นส่วนอะไรเราเขียนหนังสืออะไรนี่นะ ระ ล, ลึกว่าจะเขียนแล้วก็เขียนนะการระ ล, ลึกว่าจะเขียนแล้วก็เขียนเนี่ยรู้ว่าได้เขียนแล้วเนี่ยมันมันเป็นอาการต่อเนื่องกันระหว่างสติกับสัมชัญญาท่านอุปมาไว้ในปรินปัญหาว่าสตินี่ยคือเหมือนกับชาวนาที่เกี่ยวข้าวนะสมัยโบราณก็อุปมาเกี่ยวข้าวว่าเหมือนกับมือที่รวบโอาเอารวงข้าวมาไว้ในกํามือเนี่ยเป็นอาการสติแล้วก็เอาเกี่ยวตัดเนี่ยเป็นอาการสัมมัญญา เพราะฉะนนจะเห็นว่าชาวนาบางคนเนี่ยก็เกี่ยวข้าวได้เร็วมากก็แสดงเขามีความชานิชํานาญในเรื่องนั้นสติในเรื่องนี้เขดีเขาก็ทําได้เร็วดังนั้นการมีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องมีความจําเป็นอย่างยิ่งจวดเพราะว่างานอะไรก็ตามมันยิ่งละเอียดระหนีขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยเคยสังเกตวันก่อนเคยไปพบที่ อะไรหละโรงงานฟอกหนังของทหารนะเมื่อก่อนทุกวันรู้สึกจะยุบไปล้ท่านผู้มือการเล่าให้ฟังว่าคนที่เนี่นิ้วขาดแขงขาดกัเยอะเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดเประเรอมันเกิดพลั้งพลาดมันเกิดลืมขาดสตินิดเดียวนะฮะแลวเราได้ยินข่าวในลักษณะนี้บ่อยอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรา ทำไปทำมาไม่มีอะไ ร, ร, ร, ะระก็คือขาดสติหรือประมาทประมาตก็คือขาดสตินี่อันเดียวกันเพราะฉะนั้นคําว่าความไม่ประมาทก็คือการอยู่อย่างมีสติสัมจัญญาการขาดสติสัมจัญญาก็คือการประมาทเพราะฉะนั้นเมื่อทรงแสดงว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายก็แสดงว่าคนที่มีสติอยู่เนี่ยสติสัมจัญญาอยู่เนี่ยจะไม่ตายจากความดีนะฮะไม่ใช่ไม่ตาย เกิดตายสิลมมันก็ต้องตายแหละพระอาหารยังต้องนิพพานแต่ว่ามันไม่ตายจากความดีสามารถรเล็กรู้เท่าทันทั้งความจริงที่บังเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องเว้นจากบุคคลที่มีปั๊มปัมเป๋อๆลงลลมลืมๆนะฮะเดี๋ยถ้าเราไปคข้าหาบางคนเหล่านี้เราก็ไปเขาด้วยในสุดก็หลงหลงลืมๆคือบุคคลที่ไม่ได้เจริญพวก กรรมฐานนะครับเมื่อพกไม่ใจไม่ไม่ไม่ได้จเจริญมีปัสนากรรมดามาเนี่ยพวกนี้จะมีหลงลงลืมๆปั๊มปัมเบอรเอรเปลือย ๆ, ๆนะอะไรเขาเรียกพวกอัลไซเมอร์ในปัจจุบันนี้ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่หลงลืมอย่างไม่น่าเชื่อคือบางทีนี่เราก็งงนะว่าคนบางคนก็มีความฉลาดแปลดเปลืองเป็นนักปราชญ์แตกฉ า, า, า, านในศาสนาธรรมเออพอแกหลงแดงกันลืมได้เหมือนกัน วันโรคนี้ไป็นเ่องที่น่ากลัวจําเป็นจะต้องฝึกเรื่องสติสัมยันยะเอาไว้ให้มากแล้วก็หลีกเลี่ยงนะาการเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นแต่ว่าในการช่วยเหลือสนับสนุนนะก็แน่นอนนะเราต้องช่วยเขาแต่ว่าการคุกครีอยู่ร่วมกินร่วมทํางานร่วมกันเนี่ยผลทา้ายประชานกันลืมก็ยุ่งกันหมดเลยยิ่งการปฏิบัติ กรรมฐานเนี่ยเป็นงานที่จะต้องทำด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสำชัญญามันจะเกิดเพื่อลยหลงลืมเนี่ยมันคงไม่ได้การต่อไปท่านบอกว่าขา้อผาสมาคมกับบุคคลผู้ดได้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือคนเราถ้ามีรถนิยมตรงกันมันคุยกันมันคุยมันนำมาพูดแล้วันก็ถูกอัธยาศัยนะ แต่ ว, ว่ากันําความเป็นจริงเรื่องการสนกนาเรื่องธรรมะนี่ที่จริงตื่นเต้นนะ่ะสนุกกล้าวใจนะฮะแต่ต้องคนรู้ทันกันนะรู้ทันกันแล้วมาคุยกันเนะี่ยเคยคุยแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวกอาจารย์กรรมฐานเดี๋ยวไปที่ต่างจังหวัดคราวหนึ่งนี่คุยกันรุ่มเลยนะคุยธรรมะ ก, กันในรุ่งเลยมาได้ยินกายขานมะามองดูในกาโวยตายอย่ะจะรุ่งนะ่ะ คือมันมันรู้สึกตื่นเต้นร้าวใจแล้วก็เป็นการเสริมให้กันและกันสุวส่วนบกุ่องของเราก็เยอะนะฮะส่วนขอท่านก็มีการปฏิบายมาเราก็เสริมเติมท่านเราถึงพระนั่งคุยธรรมะ ก, กันสององคุยกันไปคุยกันมาบรรลุโสดาปติผลทั้งคู่เลยนั่นคือการเคาะานี่เขาเรียกอาเสวนาปัจจัย การก็้าหาสมาคมกันเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเสริมที่มีความสําคัญว่าจะไปกันในทางไหนหรือไม่ไปในทางไหนเนี่ยคนที่ก็เจริญสติปัฏฐานแล้วเขาก็มีความชํมนชมนานิชานาญมีความคล่องแคล่วแล้วก็ชวนเราคุยนะเราก็ได้แนวได้หลักแา่ท่านเคยฟังเทปของคนบางคนเป็นอุบาสิกานะอาจารย์แนบมาดีรณนุ่นเนี่ยอุบาสิกาแนบมาดีรณ์นุ่น เก่งมากมากนะฮมาเคยเห็นดันทีตอนบวชใหม่ๆเขาไปทางที่ที่ทนครอธิบายไนี่ก็มีมีเทปอยู่รฤาษิตุคหาก็เอามาฟังมาอารวมสังสอนอธิบายธรรมาได้เก่งมากและ ย, ยังเึกว่าน่าจะได้สัมผัสอะไรสักอย่างไม่ใช่ธรรมดาสมัยนั้นก็มีคุณหญิงระเบียบสุนทรนิคิดอะไรนี่นะ เป็นผู้หญิงหลายคนนะเก่งๆธรรมาอยู่ไม่จำเป็นจะต้องบวชภิกษุนีบวชสาแมเนรีหรอกคือธรรมะนี่มันมัน ป, ปฏิบัติได้เป็นสากลอยู่แล้วปัญหาใหญ่มันก็อยู่ที่มีสติู่สัมมาชัญญะแล้วก็ผาเกี่ยวข้องกับบุคคลเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญว่าก็ทานองที่พูดว่าก็ผ่านผ่านพ า, นพ า, นพานไปหาผิดก็บัาานดิต์รันิตพาไปหาผลเนี่ย เราก็หาสมาคมกัคนนี่ปั่มปั่มเปือป่อยเปืป่ล้มลืมลื ม, ลมไเดียวก็ลากันไปใหญ่แต่ถ้าไปคุยไปคบหากับท่านที่เจริญสติปัฏฐานอยู่นี่ฟังท่านพูดนะฟังท่านพูดฟังท่านอธิบายต่างๆมันก็น่าฟังอนะน่าฟังแล้วก็ธรรมะถ้าเราตั้งใจฟังเนี่ยมันได้อะไรอยู่ตลอดอได้มากได้น้อยเท่านั้นเองขอให้ตั้งใจฟัง ข้อต่อไปนั้นท่านบอกว่าน้อมใจไปในอารมณ์ของกรรมฐานคือใจเราในนึกถึงกรรมฐานตลอดท่านบอกว่าเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนแม่โคที่กินหญ้าเนี่ยแต่ว่าตาจําเบื่อบุรูกอยู่ตลอดแล้วก็เราจะอยู่ในเรียบทใดก็ตามไมาทำอะไรก็ตามให้นึกถึงอารมณ์กรรมฐานหน่อ <c> ย <oughs> เพราะว่ามันจะทําให้พัฒนาสติเราให้ แก่กล้ามากยิ่งขึ้นมีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นแล้วสติที่เราใช้จริงๆเนี่ยคือว่าเป็นการใช้ยอยู่กับปัจจุบันนะเช่นมันก่อนเด็กก็ถามได้จะฝึกสติแล้วก็แน่เขาบอกง่ายๆนะบอกง่ายๆลองให้เขาฝึกดูคือว่าเอาไปถึงนับลมเลยภาวนาพุโทโธเลยมันทายากอันเด็ แมวิธีของคนจีนที่เขาฝึกเด็กเอาใช้สมมติเอาเมเาด็ดข้าวโพดเม็ดถั่วอะไรก็ได้ก็ได้นะนับนับใบนับใบสักร้อยสองร้อยหนึ่งแล้วไอ้เด็กหยิบนับจากถ้วยหนึ่งไปหาถ้วยหนึ่งทุกครั้งให้ลงตัวทุกครั้งใหนับไปลงตัวเลยแล้วก็นับเบลอมากยิงขึ้นใช้เวลาน้อยลงนะฮะแต่ของคนจีนเนี่ก็ใช้ตะเกียบด้วยนะีะ แ้าตะเก็บหยิบด้วยเพราะว่ามันจะฝึกสติให้ประสานประสาทสัมผัสต่างๆให้ประสานทำทันร้อยลักกันเราก็นับไปเรื่อยๆจนไม่เผลอเลยด้วยเวลาน้อยลงลดเวลาลงไปเรื่อยๆนะลดเวลาลงไปเรื่อยๆนั้นก็เป็นวิธีฝึกสร้างสติให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความต่อเนื่องแม่แนวของรูปประคำอะไรต่างๆเนราเรียนว่าอย่างรูปประคำมันมี108ร้อยแปดรูกออกมานับตูว บางทีไม่ครบบางทีเกินนะฮะก็แสดงว่าสติเนี่ยมันมันเผือพัดเดียดันเองแต่ว่าอะไรต่อไม่อะไรอาจจะเกิดขึ้นมาได้กเกยอะเลยดั้งการฝึกเรื่องสติให้อยู่ที่ปัจจุบันบางครั้งท่านเรียกว่าทารนาคือทรงไวแล้วขับประคองไว้รักษาวไว้ให้อยู่กับปัจจุบันน่นแหะแต่ว่าลงว่ากรรมฐานที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยมันก็มีทั้งน้อมจากอดีตมาร ะ, ะลึกอยู่ที่ปัจจุบัน หรือว่าลึกอยู่ที่ปัจจุบันโดยการเพ่งดูกว่าต่งตางๆหลากหลายออกไปนะแต่ทั้งหมดก็คือใช้สติเป็นตัวหลักทั้งฟังทั้งอะไรแโ่มวงพุทยิญาณในวันนี้พ อ, อยุติไว้โดยเวลา เ, เท่านี้ที่สุดนี้พอความจะเลยมองนำไปบูนในธรรมจะมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายรู้ตัวกันสวัสดี